อนุโมทนากับทุกทุกท่านที่เห็นประโยชน์ในการฟังธรรมมาร่วมกันทำความดีเป็นบุญการฟังธรรมนี่ก็เป็นบุญฟังด้วยความตั้งใจก็เป็นบุญที่ตั้งขึ้นถ้าไม่คอยตั้งใจบุญมันก็ไม่คอยต่างแล้วไหนๆเราเสียเวลามาฟังธรรมแล้วก็ต้องให้ได้ธรรมะกลับไปอย่างน้อยได้แง่คิด เตือนจิตสกิดใจไปบ้างถ้าหากว่าฟังแล้วนำไปคิดแล้วก็นำาเอาไปปฏิบัติตามคิดว่าคงจะมีประโยชน์มากก็จะพูดในเชิงปฏิบัติจะว่าพูดให้ทําก็ได้ไม่เน้นใาพูดให้คิดนะแต่คิดได้นะคิดแล้วก็ให้ทําถ้าใครไม่สนใจฟังจะทําความรู้สึกตัวเลยก็ได้ เพราะเรื่องที่พูดนี่สรุปลงที่ความรู้สึกตัวเท่านั้นแหละฟังไม่รู้เรื่องก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ารู้สึกตัวได้แล้วก็ใช้ได้แล้วเน้นตรงเนี้ยสาระทั้งหมดก็คือให้มีความรู้สึกตัวรักษาจิตให้อยู่กับปัจจุบันไว้ตอนนี้ก็ให้อยู่กับปัจจุบันเรื่องอดีตเรื่องอนาคตวางไว้ก่อนไม่ใช่เวลาที่จะต้องมาคิดละเราคิดมาเยอะละคิดมาตั้งแต่เช้าพอมาถึงที่แล้วก็ ควรจะเจตนาคิดน้อยลงไปหน่อยให้อยู่กับปัจจุบันคำว่าอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ว่าเข้าไปอยู่นะอย่าเข้าไปอยู่นะให้รู้เรื่องในปัจจุบันถ้าเข้าไปอยู่ในปัจจุบันมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมด้ยมันก็เปลี่ยนไปถ้าเราเข้าไปอยู่เมื่อไหร่ล้วก็เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามปัจจุบันขึ้นๆลงๆตามปัจจุบันให้รู้อยู่รู้อยู่กับปัจจุบันรู้ แต่ไม่ได้เข้าไปเป็นรู้ที่ปัจจุบันรู้ที่ปัจจุบันรู้ยังไงก็รู้สึกตัวรู้สึกตัวสามคำรู้สึกตัวสามคำบรรลุธรรมรู้สึกตัวเมื่อไรที่เมีความรู้สึกตัวเนี่ยจิตก็อยู่กับปัจจุบันทันทีเป็นของคู่กันถ้าไม่มีปัจจุบันแสดงว่าไม่มีความรู้สึกตัวรู้สึกคือสติตัวคือกายคือจิต กายจิตเป็นที่ตั้งความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็น ต, น, ตนของเราอันนั้นคือตัวแต่คำว่ารู้สึกเนี่ยไม่ใช่ตัวรู้สึกเป็นเพียงแค่รู้เฉยๆตัวคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นคือกายกับจิตไม่ใช่อันเดียวกันนะจึงแยกเป็นรู้สึกตัวคือพ่อของความเป็นปัจจุบันไม่ต้องคิดความรู้สึกตัวไม่ใช่ความคิด ถ้าคิดเมื่ อ, อไรแล้วก็ไม่ได้รู้สึกตัวหรอกสองสภาวะ น, นี้ไม่ใช่สิ่งเดียวกันยามใดที่เราเกิดความคิดความรู้สึกตัวก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ในทางตรงข้ามเมื่อมีความรู้สึกตัวความคิดมันก็ทำงานไม่ได้เหมือนกันหยุดทำงานเมื่อมีความรู้สึกตัวความคิดเป็นอมภาตไปทันทีเลยเคื่อนไหวไม่ได้ล้มละลายไปเลยยามใดที่เกิดความคิดขึ้นมาเนี่ยถ้าขณะจิตนั้น ความคิดมันเปลอปล่อยให้ความรู้สึกตัวมาทําหน้าที่หมาแล้วก็มันขาดถ้าเป็นหนังก็หนังขาดถ้าเป็นคิดก็คิดขาดเหมือนกันความรู้สึกตัวก็จะเข้ามาแทนที่สองอย่างนี้ไม่แช่งเดียวกันนะคิดเอาไม่ได้นะคิดเอามันก็เป็นภาพที่ยังไม่จริงทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวแล้วก็จิตก็จะเป็นปกติในทางตรงข้ามถ้ามันเกิดความคิดขึ้นมา ถ้าจิตมันปรุงแต่งเป็นความคิดความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นไม่ได้เช่นเดียวกันนะสังเกตดูเลเวลาเราคิดมากๆเครียดมากๆจิตสติไม่ได้หรอกจิตไม่พร้อมที่จะทำหน้าที่เราต้องมีการผ่อนคลายคนที่ทํางานหนักๆงานที่ต้องใช้ความคิดต้องอยู่กับตัวเลขอยู่กับการจินตนาการที่ต้องใช้ความคิดมากๆเนี่ยสังเกตดูจิตมันจะเริ่มเครียด มันจะไม่ผ่อนคลายละอันนี้เป็นทุกข์ของจิตแต่ก็ไม่เป็นไรนะเราสามารถที่แก้ไขได้แล้วก็ไปผ่อนคลายซะลุกขึ้นเดินไปไปทำอะไรก็ได้ที่เราชอบที่ไม่ต้องใช้ความคิดเป็นการกวาดบ้านหูบ้านจัดของจัดโต๊ะจัดเก้าอี้ดื่มน้ำสักแก้วหนึ่งเดินเข้าห้องน้ำแบบไม่ปวดเปิดตู้เย็นดูแล้วก็ปิดตู้เย็นไม่มีความหมายอะไรเพียงแค่นี้ มันช่วยผ่อนช่วยคลายเครียดของจิตใจได้แล้วง่ายๆอันนี้คนที่เดินได้นะแต่คนเดินไม่ได้อย่างผมถ้ามาเครียดขึ้นมามนก็ไม่ต้องลุกไปไหนเพียงแค่เปลี่ยนระดับสายตาจากมองก้มเป็นมองไกลซะมองไกลๆมองให้สุดสายตามองแบบไม่มีความหมายอะไรท่งความรู้สึกของจิตออกไปข้างนอกแต่ไม่ได้ส่งจิตออกนอกนะเพียงแค่รู้ให้สุดสายตาแบบไม่มีความหมายอะไร จิตก็ผ่อนคลายดูไม่ต้องลุกไปไหนผมใช้บ่อยมองดูเพดานมองดูเพดานแต่ไม่ได้ว่ามโนภาพนะดูเฉยๆดูแบบไม่มีความหมายบาดีมันก็ยิ้มออกมาได้ก็ยิ้มแบบไม่มีความหมายหาเหตุผลไม่ได้เหมือนกันเพราะจิตมันผ่อนคลายโยนความรู้สึกออกไปข้างนอกซะเป็นการช่วปล่อยช่วคลายเขาเรียกว่าช่วยละลายพฤติกรรมของจิตไม่มีความหมายสบายแล้วใะเวลาเราจเจริญสติถ้าจิตมันเครียดมันคิดมากก็ไม่เป็นไรหรอก แก้ไขเปลี่ยนดับสายตาเปลี่ยนมองไกลๆเมื่อเราจะมาหายใจเล่นๆ เ, เ, เบาๆอันนี้ก็ช่วยผ่อนคลายได้ทำให้จิตเนี่ยกลับสู่สภาะที่เป็นปกติแลรู้จิตจะสบายเบาขึ้นนิสัยของนักปฏิบัติเนี่ยพอเริ่มจเจริญสติก็เริ่มตั้งจิตได้ผิดแล้วจะมุ่งกับความสงบอยากให้มันสงบเริ่มหาเรื่องให้จิตมันทางานนะอยากจะสงบนะแต่ว่า ไปคิดอยากแบบนั้นอนะ่ะมันสงบไม่ได้อยากให้จิตสงบเวลาจิตมันคิดฟุ้งซ่านก็ทุกข์อีกแล้วมีการไปฏิบัติแบบเพ่ ง, บ, งบังคับกดข่มให้จิตมันสงบแทนที่จิตมันสงบมันก็เป็นการฟุ้งซ่านเครียดหนักซะพี่เพิ่มภาระให้จิตโดยไม่จําเป็นจิตมันสงบอยู่แล้วธรรมชาติของจิตเนี่ยเขาดีอยู่แล้วอันนี้สายเราไม่ค่อยดีอันนี้พุทธพจน์บอกไว้นะ เนี่ยผมไม่ได้บอกแล้วถ้าทะเลาะกับผมก็ทะเลาะกับผู้เจ้าก็แล้วกันผู้เจ้าบอกไว้ว่าจิตเนี่ยปกติของเขาเนี่ยประพัดสอนผ่องใสยอยู่ก่อนแล้วมีอยู่ก่อนแล้วความผ่องใสเนี่ยของเดิมของเขาแต่ที่จิตมัวหมองไปก็เพราะว่ามีอุปกเกเรตจรมาจรมาสู่จิตใจชั่วขนาดหนึ่งนะแล้วเขาก็จะจร อ, ออกไปจิตก็ผ่องใสเหมือนเดิมของเดิมมัอยู่แล้วแต่ของใหม่ไม่ใช่ของจริงนะ ไอ้ที่จรมาแล้วก็จรไปเนี่ยไม่ใช่ของจริงอันนี้แสดงว่าจิตของเขาปกติดีอยู่แล้วแต่เรานิสัยไม่ค่อยดีเวลาอะไรจอนมาก็จับไอ้ตัวจรเอาไว้ไม่มันจอนไปมันก็จรจัดอยู่ในใจเรานิสัยเราไม่ดีเพราะวอะไรเชื่อความคิดไอ้ที่จรมาไม่ใช่ไรคือความคิดอุปบิเลสมันไม่มาจากไหนมาจากความคิดพอคิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ได้คิดเปล่านะเราไปเชื่อ เชื่อความคิดว่าไอเนี้ยมันเป็นตัวเป็นตนของเราไอความคิดเนี่ยเป็นตัวตนของเราของเราจริงๆเกิดการยึดมั่นถึอมั่นให้ได้อย่างใจแล้วเวลามันเปลี่ยนแปลงไปไม่ได้อย่างใจเราเราก็เป็นทุกข์เพราะเราไม่ได้เห็นความคิดเพราะไม่เห็นความคิดจิตจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราอีกนะเป็นเรื่องของจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยจะทำอย่างไรไม่ต้องทําอะไรของเข้าดีอยู่แล้วผ่านมาแล้วก็ผ่านไป ไปทําเข้าเลยมันทําให้จิตมันวุ่นวายนะไปหาเรื่องให้จิตมันเครียดการเจริญสติเนี่ยเพราะทำเพื่อว่ารักษาจิตเป็นปกติเหมือนเดิมการเจริญส ต, เเเติเป้าหมายคือเพื่อให้เห็นจิตที่มันคิดเป้าหมายคือเพื่อให้เห็นจิตมันคิดเป็นการฝึกหัดดัดนิสัยไม่ได้ฝึกจิตแต่เป็นการฝึกนิสัยจิตไม่ต้องฝึกก็ดีอยู่แล้วนะแต่นิสัยเราไม่ค่อยดีต้องต้องฝึก นิสัยเราเนี่ไม่ใช่จิตไม่ใช่กายมันคือความคิดปรุงแต่งตามกรรมที่เราเคยสร้างมาอันนี้คือตัวการปฏิบัติสังเกตดูเวลาเราจเจริญสติเช่นเรามีรูปแบบของลมหายใจก็ดีของการเคลื่อนไหวส4จังหวะแใ น, ใน่ๆเรวกาเทียนหรือการเดินจงกรมทั่วไปคือการมีสติรู้กาย ถ้าเรารู้แบบยุติธรรมนะรู้เฉยๆเนะี่ยยุติธรรมนะถ้าเฉย ย, ยุติธรรมถ้าไม่เฉยเนี่ยมันเริ่มมีเล่มีเล่เททุบายเนะี่ยรู้ลงไปเฉยๆธรรมชาติธรรมดารู้กายที่เคลื่อนไหวกายนิ่งๆเป็นกายที่ไม่ปลุกสติให้มันตื่นนะถ้านิ่งเมื่อไหร่จิตมันก็นิ่งด้วยเหมือนกันแต่นิ่งแบบสงบแบบสยบลงไปกับความนิ่ง ถ้ากายมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันปลุกปลุกให้จิตมันตื่นเห็นไหมเราดูภาพนิ่งกับดูภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันต่างกันมวยจดจดจงจ้องมันก็น่าเบื่อแต่มวยที่ชกที่ยักที่เตะเนี่ยมันมันมันตื่นนว่าดูกายเหมือนกันกายที่เคลื่อนไหวทําให้จิตมันตื่นแล้วกายเนี่ยมันไม่ได้คิดอะไรกายใครคิดบ้างมือเคลื่อนไหวของใครคิดบ้างท้าเดินโยงกลมใครคิดบ้าง กายมันไม่คิดอะไรมันทื่อๆมันซื่อๆอยู่เมื่อมันไม่คิดหนิมก็ดีทําให้จิตจะเป็นกลางได้ง่ายจิตเป็นกลางได้ง่ายเมื่อเรามาดูกายดูแบบห่างๆนะดูแบบไม่เข้าไปอยู่ดูห่างเอากกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นเป้ารู้กายเป็นรู้แบบซื่อๆเงี้ยเป็นเป้าร่อให้จิตมันคิดเคยสังเกตไหมบางทีจิตไม่คิดเวทนาเกิดขึ้นมันปวดมันเมื่อยมันหิว มันกระหายไม่ใช่ความคิดนะแต่กายแสดงอาการเพื่อจะรอให้จิตมันไปทําอะไรกับไอเวทนานั้นจิตมันจะรอแล้วเอ๊ะมันเมื่อยต้องเปลี่ยนมันจะแย่แล้วบ้างเนี่ยนั่งนานๆปวดเขา่าเขาจะเป็นมะเร็งหรือเปล่ามันเริ่มปรุงแต่งไงนะปวดหลังโอปวดหัวนี่นั่งนานๆเ น, นี่ยมันจะเป็นอัมาพาตนะเนี่ยเอาละเริ่มรอให้จิตมันคิดเราจะเริ่มรู้ทันตัวเนี้ยเราต้องฉลาด ก, กว่าจิต เ้าจะฝึกตัวเองก็ต้องฉลาดกับจิตเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็ต้องคิดเอาไว้เราเห็นล่อมันเฉยต้องดูเฉยๆนะดูเล่นๆแบบสบายๆแบบเบาๆกลางๆเนี่ยเดี๋ยวจิตก็แสดงอาการออกมาให้เราดูเราสังเกต ด, ดูให้ดีเถอะเมื่อดูกายเคลื่อนไหวไปนานๆเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นพฤติกรรมของจิตจะเห็นนิสัยของเราออกมาแล้วดูกายเคลื่อนไหวแล้วมันไม่ค่อยชัดต้องเพ่งให้มันชัดๆหน่อยนั่นคือนิสัย นิสัยติดดีแล้วให้มันชัดชัดโอ้มันไม่ชัดนี่ต้องเพ่งนั่นนิสัยเราไม่ดีละชอบเปลี่ยนแปลงสภาพธรรมให้มันชัดโอ้ว่ามันไม่ชัดยี่ไปกดมันเครียดจิตมันฟุ้งมันฟุ้งเหรอเริ่มไปแก้ไขความฟุ้งแล้วไปดูไปเพ่งไปทำลายให้มันหายไปนิสัยไม่ดีเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจทนดูไม่ได้จะต้องแก้ไขมันบางทีมันคิดไปเอารีบกลับมาดูกาย นิสัยชอบหนีความจริงอันนี้เป็นการแอ บ, บดูจิตโดยอาศัยกายเป็นเครื่องรอเหมือนเราเนี่ยแมาเราทำงานเนี่ยเราทำงานอยู่นะใช้ชีตประจมวันเนี่ยเราไม่มีสติไม่ได้จริตสติเราไม่เห็นนิสัยเราหรอกเห็นคนไม่ดีหน่อยต้องไปเตือนเขานิสัยเราเนี่ยเห็นเขาไม่ดีเนี่ยทนดูไม่ได้ต้องไปเตือนไปบอกเขาอันตรายนะ เขานั่งกินเหล้ากันวงบานแล้เวเบอร์เธอกินเหล้าผิดสินก็หา้าปากเจอนะนิสัยเราไม่ดีเห็นเขาไม่ดีทนดูไม่ได้ไม่รู้จักกราเทศนะเจอสิ่งที่ดีๆก็โอ้ชื่นชมีดีแหมดีเนอะลืมเนื้อลืมตัวใช่ไหมเนี่ยนิสัยเราเห็นอย่างงั้นติดดีอันนี้คือถ้าไม่ได้ปฏิบัติแล้วก็เราจะไม่รู้นิสัยเราหรอกจะไม่เห็นตัวเราที่แท้จริงแต่ถ้าเรามาเจระสติมาทําความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะรู้จักนิสัยเรายิ่งขึ้น ว่าเรามีตัวตนมากน้อยแค่ไหนติดดีแค่ไหนเรานิ่งเฉยกับอารมณ์ที่มากระทบไหมนิสัยของเราเห็นได้นะเนี่ยจากการดูกายเนี่ยจะเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่งจิตเราเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเราก็จะไปแทะแซงไม่ชัดคอ้อยมันชัดเมื่อมันคิดกล้อยมันหายไปเป็นการดูจิตที่ผ่านการเคลื่อนไหวของกายยิ่งเรารู้สึกตัวไปมากๆดูกายมากๆเนี่ยยิ่งเห็นจิตได้มากขึ้นเพราะอะไร เพราะใครล่าเป็นผู้ดูกายถ้าไม่เชิดจิตเมื่อกายมันไม่สแสดงอาการออกมาด้วยจิตมันก็สแสด ง, ม ไ, มสดงไม่ที่ใดเขาที่หนึ่งต้องสแสดงออกมายิ่งทุกขเวทนามากๆโอ้จิตยิ่งสแสดงอาการทุรทุายมากๆขึ้นยิ่งเห็นได้ง่ายขึ้นเวลาปฏิบัติในเวลาเจริญสติเนี่ยเวลากายมันเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ให้เรารู้ให้รู้ทันแล้วก็เปลี่ยนอียาบทเปลี่ยนกายเป็นียาบทใหม่ซะเป็นการแก้ทุกข์ไปชั่วคราวด้วยสติ จิตก็จะไม่ทุกข์เวลาเกิดความหิวเป็นอาการของกายใจก็ไม่โมโหแต่คนที่ไม่ได้เจอสติเนี่ยแม้เกิดอาการหิวทางกายใจก็โมโหก็เป็นทุกข์ทั้งกายทั้งจิตมันป้องกันจิตเราได้ถ้าเรามีสติมีความรู้สึกตัวดูอยู่รู้อยู่แต่ว่าการแทรงแสงก็ดีการคิดปรุงแต่งทางจิต ท, ที่เป็นกิเลสก็ดีก็ไม่เป็นไรนะจะมีนิสยัยอะไรก็ตามไม่เป็นไรหรอกเป็นเพียงแค่ กรรมฐานเป็นอารมณ์ให้เราได้รู้เท่านั้นเองถ้าจิตมันคิดจะไปทำอะไรไปแก้ขไขเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าเรารู้ทันแล้วก่อนนั่นละคืออารมณ์การปฏิบัติคิดได้ปรุงแต่งได้ไม่ห้ามแต่เราก็รู้ด้วยรู้เฉยๆธรรมดาธรรมดาจิตก็จะเป็นกลางเองรู้เฉยๆนะจิตก็เป็นกลางไม่ต้องไปหาตัวกลางว่ากลางตรงไหนไปทำให้เป็นกลางมันทำไม่ได้หรอกยิ่งทายิ่งไม่กลาง แต่ถ้ารู้เฉยๆตามที่มันเป็นจริงแล้วก็จิตก็เป็นกลางเองโดยธรรมชาติเป็นการรักษาจิตให้เป็นปกติโดยที่ไม่ต้องไปทำความสงบไม่ต้องไปทาอะไรแค่รู้เฉยๆจิตก็เป็นปกติทุกครั้งที่รู้นจิตก็หลุดออกมาถ้าจิตหลุดจิตก็เป็นปกติหลุดออกมาจากอารมณ์ที่ปรกากฏขึ้นในปัจจุบันนั้นเนี่ยเป็นการรักษาจิตจเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งก็มีอยู่แล้ว ความสงบมีอยู่แล้วความวุ่นวายมาทีหลังเนี่ ย, ยก่อนที่เราจะเข้ามาเนี่ยสล า, านี่ก็สงบมากแต่เราคือผู้ที่วุ่นวายเข้ามานั่งเต็มศาลาแต่ก็นั่งนิ่งๆไม่ได้เดินไปไหนไม่ได้พูดอะไรก็เพื่การรักษาความสงบเหมือนเดิมไม่ต้องไปทําอะไรเพียงแต่เรานั่งนิ่งๆไม่พูดไม่คุยความสงบก็เกิดขึ้นเหมือนเดิมไม่ต้องไปรักษาความสงบ ในที่ประชุมก็ดีห้องสมุด ก, ก็ดีเขียนว่าโปรดรักษาความสงบแสดงว่าสิ่งนั้นมันอยู่แล้วสมัยก่อนนี่สมัยเป็นเด็กที่เรียนหนังสือเห็นไหมเวลาอยู่ในห้องเรียนเนี่ยเวลาครูเข้ามาสอนเด็กก็จะบอกว่าเงียบๆหน่อยไอ้คนนั่นก็ลุกไปตีคนโน้นลูกไปตีนตี่เงียบๆหน่อยไอ้คนตะโกนนะ่ะทําให้ไม่เงียบเวลาถ้าอยู่เฉยๆนะมันก็สงบเหมือนจิตเราเนี่ยเข้าเป็นปกติอยู่ก่อนเราวังรู้สึกตัวดู ควมีความรู้สึกตัวเนี่ยจิตก็เป็นจิตเหมือนเดิมเพราะว่าธรรมชาติของสติคือเป็นอิสระอยู่แล้วเวลามีอารมณ์ดีมายั่วก็ไม่ดีตาไปด้วยแต่รู้อยู่ว่าอารมณ์ดีมากระทบเวลามีอารมณ์ไม่ดีมากระทบมายั่วก็ไม่ได้โกรธไม่ได้ทุกไปด้วยแต่รู้อยู่ว่าเนี่ยคืออารมณ์ที่ไม่ดีเห็นไหมจิตเขาจะเป็นปกติเมื่อมีความรู้สึกตัวสติเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ เ็าจะธรรที่รู้เฉยๆอารมณ์ดีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอารมณ์ไม่ดีผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่ขึ้นไม่ลงไม่รับมุกไม่หัวเราะไม่ร้องไห้เนี่ยเรียกไม่รับมุกเป็นปกตินิ่งอยู่อันนี้คือเพราะว่าของจิตง่ายไหมไม่ได้องทำอะไรนะถ้าไปทำเลยมันก็มันไม่ปกตินะมันวุ่นวายเนี่ยแต่ทำไมเราต้องทำเพราะว่าทาเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนให้เกิดความเคยชินของจิต ที่จะมารู้ตรงนี้รู้ตรงนี้สงบตรงนี้นิ่งตรงนี้ฝึกให้จิตมันเคยถิ่นที่จะรู้สึกรู้สึกรู้สึกสร้างความเคยจินของจิตให้มันรู้สึกตัวให้มันรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของกายก็ดีจากจิตที่มันคิดก็ดีสร้างความเคยจิขนของมันสร้างนิสัยของมันให้มันดีๆให้มันรู้สึกรู้สึกจึงต้องมีรูปแบบของการปฏิบัติจึงต้องมีความเพียรจึงจะเป็นการช่วยจิตให้เป็นปกติได้ง่าย เพรนั้นเวลาเราใช้ชีวิตก็ดีเจริญสติก็ดีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยจะเป็นความทุกข์ของกายความปวดความเมื่อยจะเป็นความง่วงที่เกิดจากจิตที่เป็นนิวรณ์ครอบงำจะเป็นความโลภความโกรธความง่วงหรือความฟุ้งซ่านความสงสัยอารมณ์ต่างๆเนี่ยเป็นสภาวะธรรมทั้งนั้น เป็นอารมณ์การปฏิบัติทางนั้นเลยอย่าปฏิเสธเลยนั่นแหละคือความจริงอย่าไปพยายามจะหลีกเลี่ยงหรือแทรกแซงให้รู้มันซะไอ้ส่วนการเข้าไปแก้ไขก็แก้ไขไปตามอาการด้วยสติทุกทางกายก็ต้องช่วยเขาหน่อยต้องแก้ไขเขาเพราะกายนี่มันเหมือนคนป่วยต้องคอยดูแลเหมือนเด็กน้อยต้องคอยดูแลนะไอัเ น, นี้ยคือสภาวธรรมซึ่งเป็นของจริงเป็นความจริง การปฏิบัติธรรมก็คือการเผชิญหน้ากับความจริงนักปฏิบัติธรรมต้องไม่หนีความจริงต้องยอมรับความจริงได้แม้ว่าสิ่งนั้นอาจจะไม่้เราชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามเราต้องรับได้ยอมรับความจริงเพื่อจะได้รู้ความจริงว่าเขาเป็นยังไงมันแน่นอนไหมความสุขมันแน่ไหมเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปเดี๋ยวมันก็ผ่านไป ความทุกข์มันแน่ไหมแล้วมันก็ผ่านไปเราจะรู้ความจริงอ๋อมันผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปผ่านไปแล้วไม่ใช่มันจะไม่ผ่านมามันมาอีกบอนกันมาแล้วมันก็มาเพื่อจะไปอหมือนกันเราไม่สามารถจะบังคับควบคุมมันได้จิตที่มันปรุงแต่งเราควบคุมไม่ได้แต่เรารู้มันได้กายที่มันทุกข์เราห้ามไม่ได้แต่เรารู้มันได้เนี่ย ทางรอดของนักปฏิบัติคือรู้มันรูปเดียวแค่รู้มันก็หลุดแล้วรู้ให้เป็นรู้ชํานาญมันก็หลุดการปฏิบัติหรือการใช้ชีวิตเนี่ยบางทีมันมีอุปสรรคมันยากลําบากทุกคนต้องเผชิญกับความยากความลําบากของชีวิตก็ไม่เป็นไรนะเมื่อเกิดความยากความลําบากเจออุปสรรคอย่าท้อแท้เอาสิ่งนั้นนะ่ะมาเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของเรา เป็นชีวิตที่ท้าทายความสามารถอุปสรรคสำคัญของการใช้ชีวิตคือความท้อแท้หมดกำลังใจสิ้นหวังเราต้องเอาชนะให้ได้โดยการรู้เท่าทันมันอุปสรรคคือเครื่องท้าทายชีวิตที่มีการท้าทายเนี่ยเป็นชีวิตที่กระตือรือร้นเป็นชีวิตที่มีชีวาชีวิตเนี่ยใครๆก็มีได้แต่ชีวาเนี่ยมีไม่ทุกคนหรอก ชีวาคือความกระตือรือร้นคือความสุขคือความสนุกในการใช้ชีวิตถ้าชีวิตที่มีชีวานะมันสนุกสนุกที่มันลำบากนั่นแหละไอความยากทำให้เราสนุกเห็นรู้จักท้าทายมันจะสนุกในการใช้ชีวิตนั่นะคือชีวิตที่มีจีวามันสดชื่นนะถ้าเราสามารถฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เนี่ยมันจะเกิดความภูมิใจเกิดความรู้มากมายความรู้ใหม่ๆจะเกิดขึ้น เมื่อเราผ่านอุปสรรคไปได้มันจะมีความรู้ใหม่ๆมันจะรู้จักคิดแล้วก็ฉลาดยิ่งขึ้นเป็นประสบะการณ์มีความเข้มแข็งอดทนกระตือรือล้นที่จะช่วยตัวเองชีวิตที่ไม่มีจีวาเนี่ยมันลูกนี้ลุกลนนชีวิตที่มีจีวาเนี่ยมันกระตือรือร้ น, นมันต่างกันนะกระตือร้นกับลูกนี้ลุกนเนี่ยมันต่างกันกระตือรือร้นเนี่ยเป็นความเพียรลุกนี้ลุนนี่มันฟุ้งซ่าน คนที่มีชีวิตที่ไม่เคยผ่านอุปสรรคมาเลยไม่เคยผ่านความลำบากเลยเจ้าชีวิตไม่รอดเจ้าตัวไม่รอดเพราะไม่มีประสบะการณ์จะอ่อนแอส่วนคนที่ผ่านอุปสรรคมากๆฝ่าฟันความทุกข์ยากลำบากโดยที่ไม่ท้อแท้เนี่ยบ้านปลายของชีวิตเนี่ยจะประสบผลสำเร็จก็มีมากมายอุปมาไม่ยังกับเหล็กที่ผ่านไฟแล้วกลายเป็นเหล็กกล้าได้ชั้นใดคนที่เข้มแข็ง ที่เผชิญกับความทุกข์ยากลำบากใจมากๆจะกลายเป็นคนแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อเจออุปสรรคเจอความลําบากในการใช้ชีวิตก็ดีในการปฏิบัติธรรมก็ดีอย่าท้อแท้สร้างนิสัยที่จะต่อสู้และก็ท้าทายชีวิตจะก้าวหน้าไม่มีการปฏิบัติวิธีไหนหรอกที่จะไม่มีอุปสรรคและก็ไม่ใช่ลําบากเฉพาะเรา มันลำบากทุกคนแหละในการเกิดมาในการปฏิบัติในการใช้ชีวิตลำบากทุกคนยากทุกคนโดยเว่าผมเนี่ยการใช้ชีวิตก็ลำบากช่วยตัวเองไม่ได้จะทำอะไรก็ต้องรอเขาต้องรอถึงเวลาจะมีคนมาช่วยก็ามาถ้าไม่มีคนมาช่วยเราก็รอวัดไปเลยว่าถ้าเรามีบุญเขาก็มาช่วยเราถ้าเราไม่มีบุญเขาก็ไม่มาช่วยเราส่วนมากก็จะมีบุญนะมีคนมาช่วย มันต้องวัดเป็นแบบนั้นเลยต้องรอคอยระหว่างรอคอยก็ดูจิตดูใจโอ้ใจมันอยากอย่างงู้นอย่างนี้นะโอ้นําเรื่องของใจไม่ใช่เรื่องของเราเหลืองเราก็ดูมันเป็นผู้ดูมันซะลาบากในการใช้ชีวิตและยิ่งการปฏิบัติธรรมเจริญสติเนี่ยลําบากมากอียิบบทมันไม่สม่ําเสมอต้องนอนกับนั่งยืนเดินก็ไม่ได้เวลามันง่วงปฏิบัติไปนอนง่วงก็ต้องอยู่กับความง่วง เวลาจิตฟุ้งซ่านก็ไปผ่อนคลายอย่างเขาก็ไม่ได้ทุกอย่างมันจำกัดหมดเลยความทุกหาง่ายความสุขหายากอ๋อแต่ก็ขอบคุณมันนะผมก็ใช้ความทุกข์ดีแหละเอามาท้าทายความสามารถมันซะเอาความทุกข์ไปแลกกับความไม่ทุกข์เอาความทุกข์ที่มีอยู่เลยไปแลกกับความไม่ทุกข์มันคุ้มค่าไหมคุ้มค่านะียติธรรมบางท่านเนี่ยทาบุญหนึ่งบาทจังแรกก็ น, นิพพานเลย ขอให้นที่ผ่านใสไปนหนึ่งบาทโอ้ยผมนี่เอาความทุกข์ยิ่งใหญ่ในตัวเราเนี่ยไปแลกความไม่ทุกข์ผมว่ามันคุ้มค่าแล้วแลกได้ด้วยแลกด้วยความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวเนี่ยไปเห็นความทุกข์ละทุกกายให้มันรู้สึกตัวเวลาจิตมันทุกข์คิดปรุงแต่งให้มันรู้สึกตัวทุกครั้งที่รู้สึกตัวเนี่ยมันกลายเป็นผู้ดูเป็นความไม่ทุกข์เอาไ้ การเคลื่อนไหวของกายใจมันคิดเป็นทุกข์ซะเป็นผู้ดูทุกข์ไม่ได้เข้าไปเป็นผู้ทุกข์มันแลกได้แนละ้วทุกข์มีว่าให้รู้ไม่ได้มีว่าให้เป็นทุกข์มีว่าให้รู้แล้วก็รู้มันเรื่อยไปถ้าเราเข้าไปเป็นผู้ทุกข์ซะเองแล้วใครจะเป็นผู้ดูทุกข์ล่ะเราก็เปลี่ยนเป็นผู้ดูทุกข์ซะปล่อยให้ความทุกข์มันเป็นขึ้นมนเองมันแลกได้แลกด้วยความรู้สึกตัว อันที่จริงแล้วเนี่ยในความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทั้งมรรคทั้งผลอยู่ในตัวเลยนะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นทั้งมรรคทั้งผลเลยทุกครั้งที่มีความรู้สึกตัวเนี่ยมันต้องมีสติคุณสมบัติของสตินี่ก็คืออะไรรู้ตือนเบิกบานในตัวสติก็ต้องมีสมาธิด้วยจิตตั้งมั่นสงบเป็นปกติเป็นสมาธิจิตมันก็ผ่อนคลายมีความผ่อนคลายมันก็สบาย ถทากับว่ามีมรรคผลอยู่ในตัวความรู้สึกตัวเลยมีได้เพียงแต่ว่าเราเจริญสติมากๆรู้กายเคลื่อนไหวรู้ใจคิดนึกรู้ไปเรื่อยๆที่ตัวเราเนี่ยพารู้ปัจ น, นานเนี่ยมันจะเข้าสู่เพราะว่าที่รู้สึกตัวได้จากสติกลายเป็นความรู้สึกตัวทำมากๆทำบ่อยๆเนี่ยเราก็จะไปชนกับนิพพานเองชนนะเนี่ยทะลุทะลวงไปเลยความรู้สึกตัวทะลุไปถึงประตูนิพพานแลว แล้วเปิดเข้าด้วยไม่เลาะเล็มๆ เ, เ, เปิดเข้าไปเลยด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าถึงนี่ผ่านโดยไม่รู้สึกตัวเนี่ยมันถึงไม่ได้หรอกไปไม่ถึงมันติดอยู่แค่ปากทางก็ไม่ถึงเพราะฉะนั้นจะิตะสติมากๆทํามากๆทําบ่อยๆพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยไม่ต้องทําเขาเป็นเองเขาจะเป็นไปนเองไม่มาต้องช่วยเขาหน่อยเด็กหัดเดินก็ต้องมีเครื่องช่วยพอเดินเก่งแล้วก็เดินได้เองยากไหมสงสัยไหม ถ้ารู้ว่ากำลังสงสัยนี่ก็รู้ตัวนะเนี่ยอ๋อเนี่ยเรากำลังสงสัยอย่ามีนิสัยที่จะหาคำตอบสงสัยเมื่อไหร่หาคำตอบแล้วก็เราต้องหาคำตอบเรื่อยไปเราหาคำตอบด้วยการรู้สึกตัวว่าอ๋อเนี่ยมันสงสัยแล้วเอาความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นคำตอบสุดท้ายตัต่อไปมันจะไม่ต้องสงสัยเมื่อสงสัยแล้วก็รู้สึกตัวมันก็จบไม่ต้องหาคาตอบให้มันเหนื่อย ตอนอาจารย์เริ่มฝึกใหม่ๆเนี่ยนาทีหนึ่งเผลอสักกี่ทีครับเผลอตลอดเลยครับฝึกใหม่ๆนี่ไม่มีความรู้ึกตัวเลยรบีแต่ความคิดเรียกว่าหลงมากกว่ารู้หลงสักเก้าสิบเปอร์เซนรู้สักสองสาเปอร์เซ็นที่เหลือนะัอ้นไม่รู้อะไรวันนะี้ไม่รู้อะไรด้วยนะมีหลงรู้แล้วก็ไม่รู้อะไรเลยก็มีฝึกใหม่ๆเนี่ยมันจะหลงมากเพราะว่าจิตมันเคยชินที่จะคิดมันไม่ชินที่จะรู้พยายามฝึกให้มันรู้ เพื่อมาให้มันแม่มันคิดมันก็ต้องฝืนกันหน่อยออมามันที่เราเราลงวิ่งแข่งขันวิ่งแข่งขันกรีทาร้อยเมตรอยู่คนละรูรูของความหลงกับคู่ของความรู้เราก็ต้องวิ่งอยู่ในรูของความรู้เนี่ยแต่ความหลงมันแซงหน้าเราพึ่แล้วก็วิ่งไล่ตามความหลงอยู่เลยสองลูเนี่ยไม่ทําอะไรกันนะหลงก็หลงไปแต่เราก็รู้แล้วอย่างเงี้ยต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ ใหม่ๆก็ไปกันเขาก่อนเนี่ยกรรมการเป่าปิ๊ดผิดกติกาไปกันเขาไม่ได้เราก็รู้อย่างเดียวเหมือนเวลาเราเลยสติเนี่ยเวลามันคิดเนี่ยไปห้ามมันไม่ได้แล้วก็แม้ที่รู้สึกไปเฉยๆมันวิ่งอยูอยู่คนละลู้ใหม่ๆก็หลงเพราะเรื่องการปฏิบัติมีสองอย่างแนวไหนก็ตามมีสองแนวแนวรู้กับแนวหลงนะแนวรู้ก็รู้กายรู้จิตไปแนวหลงก็รู้อะไรก็ไม่รู้ข้างนอกตัวนั่นน่ะคือแนวหลงนั่นน่ะอย่างเนี้ยอย่างที่มาเนี่ยคือแนวรู้ทางนั้น่ะ แนวหลงก็ไม่ค่อยมาฝึกนานไหมฮะกว่าความทุกข์จะเริ่มลดน้อยลงนะครับก็ประมาณหนึ่งเดือนนะหนึ่งเดือนกับการเจรลสติอยู่ทั้งวันในรูปแบบนอกรูปแบบก็มีไม่มากรลยเพราะว่าผมคนนี้ว่างงานไม่มีอะไรทํานะว่างงานแต่ใจไม่ว่างนะโอ้กลายมันว่างแต่ใจวุ่นเหลือเกินก็ต้องอาศัยหางานให้ใจทําโดยการเจลสติรู้กายไปเรื่อยๆหนึ่งอาทิตย์แรกนี่ไม่รู้อะไรเลย อทิษฐานนี่เครียดมากอาทิตฐาต่อมานี่เคร่งจากกรรมฐานเข้าไปเพง่งเข้าไปบังคับรู้สึกทุกข์หนักอ้ยิ่งทํายิ่งทุกข์เนี่ยครั้งต่อไปอทิษฐาที่สี่เริ่มเข้าใจรู้เฉยๆรู้อยู่ข้างในเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกรู้อยู่ข้างในคิดอยู่ข้างนอกเรารู้กายเคลื่อนไหวเนี่ยกายไม่ได้คิดอะไรนะแต่เดี๋ยวจิตมันคิดไอสิ่งที่คิดนะี่คือสิ่งแปลกปลอมอ๋อเห็นสิ่งแปลกปลอมของชีวิตคือความคิดนี่เอง ใหม่ๆก็รู้จึกภูมิใจจะไปจัดการกับมันจะไปจัดการจิตให้ได้อย่างใจมันก็เลยเป็นท yeah. ุกข์อ๋อเราไปจัดการไม่ได้หรอมันเหมือนคนสมัยเนี้ยไม่ค่อยได้ดูโลกอะชอบจัดโลกให้มันได้อย่างใจมันก็เหนื่อยที่ไปจัดนู่นจัดนี่ถ้าดูโลกแล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องเมื่อมีโอกาสแล้วก็ไม่ค่อยเหนื่อยเรามีชีวิตแบบจัดโลกหรือดูโลกจัดโลกเหนื่อยนะเพราะให้ได้อย่างใจเหนื่อยมากแต่ถ้าดูเนี่ยไม่ต้องเหนื่อย เนี่ยดูกายไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะเห็นจิตที่มันคิดแบบเป็นสิ่งแปลกปลอมออกมาโอ้่นี่เป็นโบนัสเองข้างนึงก็เป็นโบนัสของเราหนึ่งเดือนไม่ได้บรรลุธรรมนะหนึ่งเดือนรู้ทางรู้ทางโอ้ทางนี้ดับทุกแน่พอรู้ทางแล้วมันเกิดความขยันขยันเอาใจใส่กระตือรือร้นมันก็สบายขึ้นธรรมะก็เกิดขึ้นเรื่อยๆทุกข์ก็ลดลงไปลาออกจากความพิการไปเลย ดูกายเนี่ยมันเห็นรูปเห็นนามดูจิตมันเห็นธรรมะดูกายเห็นระูปเห็นนามนะดูจิตเห็นธรรมน้อก็ลาออกจากความพิการออกมาเป็นผู้ดูซะไม่ได้เป็นผู้พิการใครอย่าเป็นทุกข์นะถ้ามองเห็นผมแล้วเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่าเป็นผู้พิการแทนผมและขอบคุณอย่าเป็นทุกข์เพราะผมพิการผมลาออกไปแล้วจากความพิการเพราะนั้นคนที่ดูอยู่เห็นดูเนี่ยอย่าเป็นทุกข์ช่วยผมหน่อยช่วยอย่าเป็นทุกข์ อ, อยากเรียนถามอ า, อาจารย์นะครับถ้ารู้อยู่ข้างนอกครับถ้ารู้ไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีอาการล้าไหมฮะถ้ารู้อย่างต่อเนื่องมันจะมีอาการเหน็ดเหนื่อยทั้งใจหรือจิตหรือเปล่าครับรู้เรื่อยๆแน่นอนเมื่อรู้ได้มันก็หลงได้ความรู้ตัวเนี่ยเมื่อรู้ไปนานๆเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงมันก็จะมีอาการของกายกับอาการของจิตที่มันแสดงออกมา จิตมันก็ทํางานหนักไม่ได้เหมือนกันนะมันก็เป็นทุกข์ถ้าเรารู้แบบตั้งใจเจตนามันก็ต้องเป็นทุกข์ต้องมีการเหนื่อยล้ามันดูหนังซ้ําๆเรื่องเดียวกันดูตั้งแต่เช้ายันเย็นมันก็ทุกข์ฟังเพลงเพลงเดียวนะตั้งแต่ช้ายันเย็นมันก็ทุกข์มันก็เบื่อแต่ถ้ารู้แบบให้มันเกิดเองรู้มันเกิดเองจิตไม่ทําหน้าที่ของเขาเมื่อมันเกิดเองมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดา อย่าไปตั้งใจยอย่าไปใส่ใจยอย่าไปบังคับมันจิตเพิ่งแค่หน้าที่ธรรมดาอย่างน้อยทุกครั้งที่จิตมันรู้จิตมันก็ทุกอยู่แล้วในตัว <laughs> <laughs> มันมันเปนทุกอยู่ในตัวได้จนกลัวร่างกายกับจิตเป็นทุกอยู่แล้วเนี่ยให้เราเห็นมั้งไงว่าอ๋อความจริงของจิตได้เป็นทุกมันเคลื่อนตัวไปคิดตั้งหน่อยเดียวนั่นะมันก็เป็นทุกแหละเห็นไหมบางคนเนี่ยไปแบบไปไปเดินมานะคิดเกียดคิดนะนดดเพราะมันขี้เกียดคิดพอคิดแต่ละครั้งเนี่ยบางทีมันเป็นทุก เคยไหมเวลาขายให้เรามาคิดอะไรเนี่ยโอ้ไม่อยากคิดอะทําไมถึงไม่อยากคิดเพราะมันเป็นทุกข์ถ้าเป็นจุกมันอยากคิดธรรมดาถ้าเจตนาลุนนานๆบ่อยๆเนี่ยก็มันก็จะเครียดจะเหนื่อยแต่ถ้าเขารู้เองแล้วก็มันจะเบาลงมาเลยไม่ค่อยเหนื่อยไม่ค่อยทุกข์ถึงเวลาจิตมันหยุดอยากจะหยุดเองถึงเวลาจิตมันหยุดอยากจะหยุดเองเนี่ยบางทีมันรู้มากๆก็อยากจะหยุดเองอยากจะหยุดที่ยวรู้อยากอยู่นิ่งๆเฉย อันนคือความทุกข์ของจิตที่มันขึ้นขึ้นลงๆอย่างนั้นนะณเวลาเราปฏิบัติเนี่ยเวลาเราจเจริญสติเนี่ยอย่าไปกลัวว่าจะไม่รู้อะไรนะอย่าไปกลัวว่าเดี๋ยวมันจะหลงไปไม่เป็นไรหรอกมันหลงก็ไม่เป็นไรเมื่อมันรู้ได้มันก็หลงได้เหมือนกันเป็นเรื่องธรรมดาเมื่อหลงได้กลับมารู้ได้เหมือนกันก็เป็นเรื่องธรรมดาปล่อยเขาทํามาธิเองเขาอย่าไปจัดแจงจัดการเ้าให้ได้อย่างใจเราสบายแล้วเราอยู่วงนอกดูอยู่นอ ก, นอกดูอย่างห่าง ให้จิตมันทำหน้าที่ไปเองอาจารย์คะถามนิดนึงค่ะถ้าเกิดเรารู้มาพร้อมกับลมหายใจนี่ถูกต้องหรือว่าหรือเปล่าคะเวลาเรารู้เนี่ยเราจะเหมือนกับเราหายใจเข้าด้วยหายใจออกรู้อะไรรู้ลมหายใจหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าเราหายใจอยู่แล้วแต่ถ้าเรารู้ตามลมหายใจก็รู้ได้รู้มันหายใจอย่าไปตามนะถ้าตามจะเหนื่อยเพราะลมหายใจมันไม่อยู่นิ่งมันเข้ามันออกถ้าเราตามเข้าไปเข้าไปอยู่ในลมหายใจแล้วก็เข้าตามออกตามมันเหนื่อย ถ้ารู้เฉยเฉยยังห่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นแค่รู้เฉยๆเนี่ยให้เลมหายใจมันเหนื่อยแต่ผู้รู้ไม่เหนื่อยผมเคยนอนจรตตินอนพลิกมือเล่นรู้สึกรู้ตั้งใจเกินไปพยายามรู้ให้มันชัดๆเนี่ยนิสัยเราไม่ดีอย่ากให้มันชัดๆอย่ากให้มันดีๆนะมันเข้าดีแต่นิสัยเราไม่ดีไปบังคับดูมันตอแรกมันก็สงบดูมือนจะดีแต่ทําไปทํามาเนี่ยมันเครียดมันเข้าไปเคลื่อนไหว <ส>หมดเนื้อหมดตัวแบบการเคลื่อนไหวเลยจิตก็เข้าไปเคลื่อนไหวกับกายตามันไปเนี่ยมันก็เริ่มเกิดความเคลื่อนทีนจิตใ จ, จมันทุกข์แล้วก็หยุดไอหยุดมันไม่ทุกข์เนี่ยแต่พลิกมือพอเข้าไปรู้เข้าเนี่ยทุกข์แหละเราไปเพ่งไปบังคับมากเกินแต่ต่อมาเราวางใจใหม่หม่รู้เฉยๆหยุดรู้แต่ข้างในเคลื่อนไหวข้างนอกรู้อยู่ข้างในเคลื่อนไหวข้างนอกกลายเป็นว่าจิตผู้รู้กับกายเคลื่อนไหวนุ่นค้ อ, อนันกันละ อ๋อไอ้กลางนอกที่มันเคลื่อนไหวนี่มันเป็นเรื่องของกายเรื่องของรูปจิตผู้รู้นี่มันไม่ต้องไปเคลื่อนไหวมันรู้เฉยเฉยรู้ซื่อเออมันลาออกจากการเคลื่อนไหวไปเลยสบายเลยเพราะฉะนั้นรู้แล้วก็ตามอย่ารู้แล้วก็ตามรู้แล้วก็หยุดหยุดตัวเองให้มันไปให้มันเองให้เรารู้เราจะเห็นการเกิดดับของสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายรู้เฉยเฉยอย่าไปตามนะอย่าไปรับมุกค่ะอาจารย์คะ ถ้าแบบเรารู้วนเราคิดแล้วเราต้องทําังไงต่อคะไม่ต้องทําอะไรพอรู้ว่าคิดแล้วความคิดมันก็ดับไปถึงเขาจะดับหรือไ ม, ไม่ดับไม่ใช่เรื่องของเราเรามีหน้าที่รู้แล้วกันเรารู้เฉยๆเนี่ยถ้าสติมันเข้มแข็งจริงนะมั่นคงเนี่ยเขาก็จะดับเพราะจิตรับอารมณ์ได้ครั้งเดียวขณะเดียวทุกครั้งที่รู้คิดอยู่ไม่ได้แค่รู้เฉยๆเนี่ยจิตที่เฉยๆเนี่ยเป็นจิตที่มันไม่มีอะไรสามารถจะมาย้อมมาฉาบทาได้ อะไรผ่านมากระทบแล้วมันก็จะผ่านไปจิติตเฉยเหมือนใบบัวนิ่งๆอยู่ไอ้ความเคลื่อนไหวความคิดต่างๆเหมือนน้ํานที่มันไหลมาถูกกันแล้วก็ผ่านไปถ้าจิตรู้แล้วไปแทรกแซงนะเข้าไปพยาที่บังคับหรือขับไล่ผลักไสหรือต่อต้านเนี่ยมันเหมือนกระดาษทิชชู่ที่มีน้ําหยดลงมาปุ๊บกระดาษก็จะขาดแล้วเวลาเราแบบเราพอเรารู้สึกตัวว่าเรารู้แล้วมันดับไปแล้วเราก็จะยังไงทํำไงก็ไม่ทําไงมันดับก็ดีอยู่แล้ว เดี๋ยวมันก็มีอะไรมาให้รู้ใหม่ก็ปล่อยไปรู้สึกยังไงต่อไปรู้สึกพอใจไหมเวลามันดับไปแล้วดูต่อรู้ต่ออันนี้มันพอใจแล้วรู้ต่อเนื่องถ้ามันมั่วไม่รู้รู้อะไรก็เอามาเคลื่อนไหวกายเล่นมาดูพื้นฐานดูรูปแบบของเราเลยอย่าปล่อยให้จิตมันลอยอยู่บางทีเราดูกายเคลื่อนไหวแล้วพอจิตมันคิดปั๊บดูจิตปั๊บจิตดับไปโอ้ยภูมิใจหลุดไปเลยจิตลอยไปเลย พราะตรงี้ปั๊บเนี่ยอ๋อเราอยู่กับรูปแบบเราเลยมาดูกายเคลื่อนไหวรูปแบบของเราดูกายเคลื่อนไหวเอาเป็นหลักไว้ก่อนเอาเป็นเป้าล่อเดี๋ยวมันออกมาค่อยดูมันดิมันเหมือนแมวอะบ้านที่มีหนูเนี่ยถ้าเลี้ยงแมวอยู่เนี่ยหนูมันก็จะไม่ค่อยออกมาแมวฉลาดเนี่ยมันจะไม่เข้าไปยุ่งกับไอ้หนูหรอกแต่มันคอยสังเกตดูแอบดูอยู่นอนนิ่งๆสายหางเล่นนะอันนี้มันเตรียมตัวนะแมวมารู้สึกตัวเตรียมตัวอยู่หนูมามันจะตะคุบเลย ถ้าแมวโง่โง่ไต้องดูรูหนูหนูไม่ออกมาแล่ะแมวฉลาดนอนไม่รู้ไม่ทีกระดิกหางเดี๋ยวหนูมาทะคุบ ป, ปั๊บเลยแต่ต้องดูนะต้องเป็นแมวที่ไม่คิดมากถ้าแมวคิดมากแบบแมวโดเรมอนนี่มัใช่ไม่ได้มันกลัวหนูทําไม่รู้ไม่ทีเฉยเดี๋ยวจะเห็นอาการของจิต ท, ที่มันคิดออกมาถ้ามันฟุ้งมากๆกลับมาดูกายเคลื่อนไหวการมาดูกายเคลื่อนไหวในระหว่างที่รอจิตมันคิดเนี่ยมันได้ความเพียรได้เติมพลังของสติ G g ai, เป็นเต็มกับการเคลื่อนไหวเป็นความเปียนรู้สึกรู้สึกอย่าไปรอว่าเมื่อไหร่จะคิดเมื่อไหร่จะคิดถ้ามันคิดมาเราก็ไม่รู้ตัวละอย่างนั้น่เพราะเราคิดไว้ก่อนแล้วเมื่อไหร่จะคิดเนี่ยใจมันคิดแล้วไม่รู้อะไอ้รอความคิดหน้าตาเป็นไงไม่รู้เอามาดูกายก่อนถ้ามันมั่วนักนะมาดูกายเคลื่อนไหวดูเล่นๆ เ, เอากายเคลื่อนไหวเป็นเป้าล่อให้จิตมันคิดออกมาสองอย่างชีวิตเรา <l ots> เน่ยมีกายกับจิตนนั้นอนะดูกายเคลื่อนไหวดูใจคิดนึก พาบรรลุจะรู้อะไรกับบรรลุกายเคลื่อนไหวเนี่ยมันดูที่กายเคลื่อนไหวแล้วก็ได้คะแนนสติเรื่อยๆก็บคะแนนไปเรื่อยๆเห็นไหมก็เป็นความเพียงพอถามอาจารย์นะครับว่ามุมของอ น, นิจจังไตรลักเนี่ยจิตมันจะสรุปมันเองนะครับหรือว่าอย่างไงครับถ้าเกิดเราดูไปเรื่อยๆครับผมการดู บ, บ่อยๆการเห็น บ, บ่อยๆมันก็ย่อมรู้ความจริงขึ้นมาเราจะเห็นความจริงของกายของจิตที่มันแสดงออกมาต้องดูเฉยๆนะ เป็นการดูที่ยุติธรรมมากเราก็จะเห็นเองไม่ต้องพิจารณาช่วยอ๋อนี่กายมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่เฉยโตไม่ใช่ตนเราไปคิดช่วยละเราจะเห็นของจริงพราะกายกับจิตเนี่ยเขาแสดงแต่ละอยู่แล้วดู บ, บ่อยๆเห็น บ, บนะ่อยๆเนี่ยเป็นการพิจารณาไปในตัวการที่ดูที่รู้ บ, บนะ่อยๆเนี่ยคือการพิจารณานะแต่ไม่ใช่ความคิดพิจารณาโดยการรู้เฉยๆมันจะเห็นเองเหมือนเราเห็นแมวอ่ะเห็นแมวนี่ทีแรกเนี่ยเราไม่รู้นะ ว่าแมวนี่ตัวผู้ตัวเมียพอดูไปนานเนี่ยโอ้นี่แมวตัวผู้ตัวเมียจะรู้เองจะเห็นขนของแมวว่าเป็นยังไงเนี่ยทั้งๆเห็นรายละเอียดของแมวเลยนะดูบ่อยๆเห็นบ่อยๆก็ต้องเห็นแมวเป็นแมวเหมือนดูกายดูใจบ่อยๆเนี่ยจะเห็นตัวเราเนี่ยเป็นไตรลักษณ์ไปทั้งหมดเลยไม่ใช่ดูเดี๋ยวเดียวดูบ่อยๆเราจะเห็นไตรลักษณ์ปรากฏขึ้นชัดเจนความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนบังคับบัญชาไม่ได้เขาจะปรากฏขึ้นในเราชัดเจน ดูนาฬิกาทีแรกเราไม่รู้กันยี่ห้ออะไรพอดูบ่อยๆเนี่ยโอ้เนี่ยยี่ห้อนี้เลขนี้ทําในประเทศนี้ใช่ไหมดูบ่อยๆมันก็เห็นรายละเอียดไปพนักงานจริ์สติใหม่ๆเนี่ยอย่าไปเพ่งมันอย่าไปบังคับมันทําเรื่อยๆมันไม่ชัดไม่ชัดก็ไม่ชัดกันเดี๋ยวต่อไปเนี่ยมันจะเริ่มเก็บรายละเอียดเรื่อยๆรื่อยๆแล้วมันก็จะเป็นเองการดูก็จะเป็นดูแบบธรรมชาติจะเป็นไปเองของเขามีอยู่แล้วไตรลักษณ์มีอยู่แล้ว ความสงบมีอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยไม่อาจที่จะปรากฏตัวขึ้นมาได้เพราะเราไปคิดปรุงแต่งมากถ้าเห็นความคิดเมื่อไหรแล้วก็เราก็จะเห็นความจริงของชีวิตมากมายาเห็นความคิดความคิดมันก็ดับและความจริงมันก็จะโผล่ขึ้นมาเราเห็นนิพานเนี่ยเขามีอยู่แล้วแต่มันปรากฏตัวไม่ได้หรอกเพราะเราถูกความคิดบดบังไปหมดเหมือนดวงอาทิตย์เนี่ยมันสว่างอยู่แล้วแต่มีเมฆมาบดบังเท่านั้นเองเดี๋ยวมันก็ผ่านไป สบายนะธรรมะไม่ต้องทําอะไรสบายเลยคือความคิดมันยังไม่หยุดเรารู้สึกตัวว่ากําลังคิดเนี่ยแต่นี้เราสมควรจะตัดความคิดนั้นโดยจงใจหรือว่าปล่อยให้มันไปอีกหน่อยหนึ่งคล้ายๆว่ามันหน่วงไปอย่างเงี้ยพอรู้สึกตัวปุ๊บเนี่ยความคิดมันก็บางครั้งหยุดบางครั้งหายไปบางครั้งนี่เหมือนกับว่าใจนี่ยังอยากจะคิดต่ออีกหน่อยในเรื่องนั้นอย่างเงี้ยสมควรจะตัดหยุดไปเลยหรือว่าปล่อยมันไปก่อน ปล่อยมันไปตามธรรมชาติสมควรอยู่ที่จะไปทําอะไรกับเขาแค่รู้ชเจอปล่อยเขารู้บ่อยๆเนี่ยบางทีมันก็จะลากเราไปสะักนะแต่ถ้ารู้ตามเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะหายเองมันเหมือนกับมันลากไปเอ่ไม่เป็นไรหรอกให้มันลากไปบ้างลากให้เราได้รู้ชัดๆเราไม่ต้องไปทําอะไรนะเมื่อมันคิดขึ้นมาเรารู้ว่ามันคิดพลาดสติเข้มแข็งมันก็จะตัดถ้ายังไม่เข้มแข็งพอมันก็ยังไม่ตัดได้ง่ายก็รู้ไป แต่ถ้าจะถูกลากไปนานเราก็ต้องรู้จักเปลี่ยนจิตใจมาอยู่กับการเคลื่อนไหวซะบ้างมาอยู่กับหลักของการมัฐานซะบ้างอันนี้เป็นวิธีการช่วยจิตไม่ให้มันถลามไปกับความคิดมากเกินไปถ้าทำบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้ว่าเราไม่ต้องกลับมาดูกายก็ได้แค่รู้ทันตามหลังรู้ทันที่หลังมาเนี่ยมันก็จะหายไปเองมันก็จะเลยไปเองเพียงแต่ว่าเราอย่าไปต้องการว่าเมื่อไหร่มันจะดับ พอรู้ปั๊บมันต้องดับเลยคิดอย่างนั้นมันไม่ดับหรอกไม่ดับก็ไม่ดับกันแล้วก็ตามรู้ไปเรื่อยๆแต่อย่าตามเข้าไปอยู่นะสำคัญที่ว่าเมื่อเราเห็นความคิดเรามักจะเข้าอยู่ในความคิดไม่ได้เป็นผู้รู้ในคิดไม่ได้เป็นผู้รู้คิดแต่เข้าอยู่ในความคิดมันก็วนเวียนไปกับความคิดเลยถ้าออกมานอกความคิดม่แล้วก็เป็นผู้รู้ม่แล้วก็เดี๋ยวคาคิดมก็จะผ่านเลยไม่ต้องให้มันดับนะ มันดับก็ดับไม่ดับก็ไม่ว่าอะไรถ้าไม่ดับไปแล้วก็ดับมาอยู่ตัวเราอยู่กับตัวเราเนี่ยทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าความคิดบางครั้งพอเรารู้ปุ๊บเนี่ยเราจะสังเกตว่ามันมีอารมณ์ผสมเข้าไปด้วยอันนี้มันเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าครัใช่เหมือนกับว่ามันความคิดบางอย่างมันทําให้เรามีอารมณ์บางอย่างขึ้นมาด้วยมันก็ช่วยใส่เชื้อมันคิดมากๆแเราก็รู้อาการเข้ามาอ้อนี่จิตมันปรุงแต่งนะมันเข้าไปแทรกแซงที่สายของเราเป็นอย่างนี้เอง ถ้ารู้ทันมันเนี่ยอย่าไปรู้เรื่องของมันนะะรู้ว่ามันจะหายไปครับถ้ารู้ทันมันว่ามันกาลังจะทําอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันก็หายไปพอรู้จักมันแล้วแต่ถ้าไปรู้เรื่องของมันเนี่ยมันไม่จบได้ง่ายรู้เรื่องนี่มันมันนะมันเข้าไปเลยหรือเราไม่รู้ตัวเลยรู้ว่ามันคิดอ๋อนี่มันปรุงอ๋อมันใส่เชื้อรู้อาการของมันเดี๋ยวมันก็จบอยู่ตรงนั้นอย่าไปเสียใจว่าโอ้นี่เรา ปรุงแต่งมากนะอย่าไปเสียใจกับมันธรรมดาธรรมดากล้าได้กล้าเสียมันหลงก็หลงไปไม่เป็นไรแต่ให้รู้สึกมันว่าเรากําลังทําอะไรอยู่ก็จะบอกว่าการปฏิบัติผู้ที่เอาชนะความฟุ้งซ่านไม่ได้ปรุงแต่งยาวนานเนี่ยจะต้องมีหลักมีฐานให้สติมันเกาะอยู่ต้องมีรูปแบบช่วยมันฝึกใหม่ๆเนี่ยผมฝึกแบบนี้นะเวลารู้กายเคลื่อนไหวเวลามันคิดกลับมารู้สึก เวลามันคิดอีกกลับมารู้ยรู้สึกตัวนะเวลามันคิดอีกกลับมารู้ตัวต่อไปเนี่ยมันไม่ไปแล้ะมันไม่เชื่อละมันเป็นการสอนจิตว่าอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่กับกายอยู่กับกายอย่าไปกับเขาจิตมันถูกสอนพอจิตถูกสอนแล้วมันก็เชื่อต่อไปแล้วก็ไม่สนใจความคิดละความคิดคือสิ่งแปลกปลอมจัดการได้ก่อนเลยนะอ๋อความคิดคือสิ่งแปลกปลอมมาลูกกายนรกเข้าเอ๊ะรู้กายเนี่ยมันก็ติดนะนะมันละกายเป็นว่ารู้อยู่ห่าง กลายเป็นรูปกายที่เคลื่อนไหวรู้จิตที่มันคิดนึกซึ่งไม่ใช่เป็นอันเดียวกันกายก็ส่วนหนึ่งคิดก็ส่วนหนึ่งจิตเ็รูปอันหนึ่งโอ้มันออกมาเลยแยกไปเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปถ้ามันฟุ้งซ่านแล้วก็เอา้ามาส่รูปแบบกายเคลื่อนไหวซะบ้างเดินจงกรมซะบ้างไม่เสียเหลี่ยมเป็นการรักษาจิตเดี๋ยวบอกแมดูการเด็กๆอา้าเด็กก็ไม่เป็นไรแล้วเด็กก็ยังหัดได้และต่อไปเราจะเข้าใจเองอ๋อทุกอย่างมัน แยกกันได้มันเป็นคือเครื่องอาศัยอาจารย์คะเราจะพัฒนาจิตผู้รู้ขึ้นมาให้ได้ยังไงคะอย่างเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างนี่ชัดเจนมากเลยเรื่องแมวกวับหนูอะคะ่ะคือพยายามจะเป็นแมวที่นอนกดิกหางแต่เผือแป๊บเดียวมันก็จะไปจ้องดรงรูหนูประจำเลยนะคะก็พัฒนาเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาได้ไง ค, คือแยกตัวเราออกมาให้รู้ตัวเราโดยที่ไม่ได้ยึดว่าเป็นของเราอะคะ่ะก็อย่าไปคิดแยกอย่าไปคิดทํำลายเขา นักปฏิบติคือเจริญสติมากๆเดินจงกรมมากๆเจริญสติยกมือสร้างจังหวะมากๆดูลมให้ใจมากๆอะไรก็ได้ที่เป็นรูปแบบของการมาฐานเป็นการฝึกให้จิตมันรู้รู้พอจิตมันรู้เนี่ยเสร็จแล้วมันจะเข้าสู่ภาวะที่ดูจากสติธรรมดานะรู้กายเคลื่อนไหวหรือรู้ใจที่มันคิดนึกอะไรก็ได้ สติธรรมดาเนี่ยพอรู้บ่อยๆเนี่ยมันจะพัฒนาเป็นความรู้สึกตัวรู้สึกกับตัวของกายที่มันเคลื่อนไหวกับใจที่มีคิดนึกพอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยมันขึ้นพัฒนาไปขั้นหนึ่งกลายเป็นผู้ดูไปทุกอย่างมันค่อยๆพัฒนาขึ้นจากสติธรรมดาเป็นความรู้สึกตัวจากความรู้สึกตัวเป็นผู้ดูถ้าเป็นผู้ดูแล้วก็ปลอดภยัยเพียงแต่เราเจะะริญสติบ่อยๆผู้ดูก็จะเด่น สติมันก็จะตื่นรู้ผู้ ด, ดูก็จะเด่นเมื่อผู้ดูเด่นแล้วก็อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาให้ดูทั้งนั้นทุกของกายคือสิ่งที่ผ่านมาให้ดูทุกของจิตความคิดปรุงแต่งวิตกกังวลอิจฉาริษยาหึงหวงหวาดระแวงคือสิ่งที่มาให้ดูเท่านั้นเป็นสิ่งแปลกปลอมของจิตไม่ใช่ผู้เป็นเป็นผู้ดูไปทั้งหมดเลยเริ่มจากเจระเซน้อย ถูนิ้มือเล่นๆ่นรู้สึกตัวเนี่ยเอานิ้วจีกับนิ้วหัวมือถู ก, กันเบาๆรู้สึกตัวทําไปเถอะทําบ่อยๆบ่อยๆจากสติธรรราก็กลายเป็นความรู้สึกตัวแล้วมันก็จะไปเห็นความคิดที่มันละเอียดแล้วรู้ไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นผู้ดูโดยที่เราไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปทําอะไรพุทธองค์จึงบอกว่ า, าตาปีสามประชันโนสติมาคือมีความเพียร มีความเพียรมีสติมีสัมมชัญญาท่อนั้นเองคือเครื่องมือมีความเพียรมีสติมีสัมมชัญญาเราก็จะรักษาจิตที่เป็นปกติพ้นมาจากความพอใจไม่พอใจในจิตใจเสียได้ก็มีอย่างเดียวคือความเพียรจริปสติมากๆเดี๋ยวมันก็พัฒนาขึ้นไปเองไม่ต้องไปทําอะไรเมื่อถึงจุดๆหนึ่งแล้วเนี่ยจิตก็จะทำหน้าที่คือมันเป็นเองไม่มาต้องฝึกหน่อยรู้สึกตัวบ่อยๆเดี๋ยวมันก็เคยชริน ความเคยชินก็เกิดความเป็นเองอยากจะให้อาจารย์แนะนําหน่อยอะคะ่ะว่าสมมติว่าเวลาเราทํางานอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็มีการคิดเรื่องงานบ้างบางทีไปกระทบอารมณ์อื่นบ้างแล้วบางทีเราก็ปรุงแต่งเองบ้างเงี้ยค่ะอาจาะแนะนําให้ทำยังไงดีะคะเพราะว่าเราทํางานอย่างเงี้ยค่ะก็ใครรู้มันกระทบอารมณ์อะไรก็ค่อยรู้มันการคอยรู้บ่อยๆเนี่ยมันเป็นการช่วยผ่อนชื้นคลายจิตได้บางครั้งเนี่ยเวลาเราคิดมากๆเนี่ย ทำงานไปใช้ความคิดใหม่ฝึกที่แอบดูจิตแอบดูความรู้สึกเราซะบ้างรู้สึกอย่างไรแอบดูมันซะบ้างบางทีมันคิดเพลินไปแอบดูออนี่มันคิดแล้วทุกครั้งที่รู้ว่าจิตมันทําอะไรขึ้นมาเนี่ยจิตมันก็จะเริ่มผ่อนคลายตัวมันเองไอ้ที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็จะเข้าไปเป็นเกลียวเป็นพื้นเดียวกับความคิดกับจิตเลยแต่ถ้ารู้ปั๊บจิตจะถอนตัวมาโดยอัตโนมัติรู้แต่ละครั้งเป็นการถอนเราต้องฝึกที่จะรู้บ่อย โดยการอาศัยรูปแบบบ้างวิธีการที่จะให้สติมันเกิดบ่อยๆเนี่ยมันจะมีเทคนิคเฉพาะตัวเราอย่างน้อยเราต้องเห็นความสําคัญของสติเห็นประโยชน์ของสติเห็นประโยชน์ของความรู้สึกตัวอะไรก็ตามที่เราเห็นประโยชน์สิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นในใจเราบ่อยๆเห็นทุกข์เห็นโทษของการขาดสติขาดสติเราเป็นอย่างไรมันมีแต่ความติดพลาดตายไปก็ตกนรกเพราะไม่มีสติ เห็นทุกข <in> ์เห็นโทษบ่อยๆเนี่ยสิ่งนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นในใจเราเห็นไหมคนที่เลิกบุหรีได้นี่เลิกบุหรีได้เด็ดขาดก็เพราะเห็นโทษของบุหรีไม่ใช่เลิกตามแฟชั่นเลิกตามฤดูกาลเข้าพรรษาก็เลิกออกพรรษาก็สูบอันนี้ไม่ได้เห็นทุกข์เห็นโทษถ้าเห็นโทษการโดยบุหรีแล้วก็จะไม่สูบบุหรี่เห็นโทษการขาดสติบ่อยๆเช่นเมื่เราพลาดเราหลงลืมเกิดความเสียหายโอนี่ไงเห็นโทษของมันจะ แล้วต่อไปมันก็จะไม่ขาดสติเห็นประโยชน์การมีสติเห็นทุกทุนการขาดสติสติก็จะเกิดขึ้นบ่อยๆการฟังธรรมะก็ทำให้สติเกิดได้เหมือนกันการคบกับกาลยานามิตรคือคนที่มีจิตใจสงบเป็นปกติคนที่ปฏิบัติธรรมอย่าไปคบกับนายฟุ้งก็ทวนฟุงนฟ้งไปทั้งวันสติก็ไม่เกิดใช่คบกลยาณมิตรเห็นพระเจ้าพระสงค์เจอพระปั๊บ สติก็จะเกิดขึ้นต้องระวังสำรว ม, มนะนะรู้จักอ่านหนังสือธรรมะแล้วที่สำคัญก็คือต้องฝึกเจริญสติบ่อยๆในรูปแบบที่เราพอจะมีเวลาจะทำได้และนอกรูปแบบคือการใช้ชีวิตอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆพยายามใส่ใจที่จะรู้บ้างอ๋อนี่เราเคลื่อนไหวเลยนะเรากำลังทำอะไรอยู่อย่าคิดฟรีๆคอยรู้บ้างอย่าทุกข์รีๆอย่า ก, กรฟรีๆ ให้พิสติเคยรู้บ้างเป็นการเสริมส ร, ร้างให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆแล้วสิ่งนั้นก็จะเกิดขึ้นเองมันเกิดความเคยชินเหมือนอย่างเราเดินเข้าบ้านเราเนี่ยสมัยก่อนเรามาอยู่บ้านนี้ใหม่ๆเราต้องเดินเข้าด้วยความระมัดระวังจะจะเข้าบ้านถูกต่อมาเนี่ยเดินบ่อยๆเนี่ยหลับตาเดินเข้าบ้านก็ได้มันจะเกิดความเคยชินเข้าบ้านไปก็เปิดตู้เย็นเลยมันจะเป็นความเคยชินเปิดทีวีเปิดพัดลมเป็นความเคยชิน เพราะเราสร้างความเคยชินที่จะรู้สึกตัวบ่อยๆ อ, อย่าเคลื่อนไหวฟีๆอย่าทุกขฟีๆอย่าคิดฟรีๆคอยรู้บ้างไอ้บ่อยๆนี่แหละมันจะเกิดความเป็นเองจึงต้องมีความเพียรขณะทํางานเนี่ยเวลาคิดมากๆเราแอบดูเสมออ๋อนี่เราคิดมากแค่นี้ยก็ได้คะแนนสติแล้วแอบดูจิตเห็นไหมแอบดูจิตนี่ยโหได้ข้อมูลมากนะแอบดูอะไรก็ตามนิมได้ข้อมูลชัดเจน แอบดูจิตตัวเองได้ข้อมูลจับผิดมันได้และความคิดมันก็จะขาดไปขนาดนี้เคยไหมเคยแอบดูไหมตอนนี้ก็แอบดูได้นะรู้สึกอย่งางไรเนี่ยได้แล้วเวก็บรติภนณมันจะเกิดความเคยจิตใจแอบดูตัวเองไม่เป็นไรไม่มีคําถาน ม, มียิ้มก็พอแล้วแล้วมีความเบิกบานใช้ได้แล้วก็แปลกนะเคยไปพูดธรรมะที่ไหนเนี่ยไม่มีใครยิ้มสดชื่นแบบนี้เลยหน้าตาเคร่งเครียดไม่เหมือนที่เนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใส มันบ่งบอกถึงจิตใจที่เบิกบานคนที่ยิ้มได้เนี่ยแสดงว่ามีความรู้สึกตัวแล้วก็ใจได้แล้วเนี่ยมาที่นี่ก็มีความสุขเห็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสเออเนี่เป็นพวกเดียวกันไปเจอแต่คนเคร่งเคียดเอาแต่องค์ความรู้อยู่นั่นแหละไม่เอาความรู้สึกตัวเลยคนที่เล่าเรียนเอาแต่องค์ความรู้เนี่ยมันจะเครียดจิตไม่ผ่อนคลายอย่างเงี้ยยิ้มแยมแจ่มใสน้าพูดคุย